ท่านฟังที่เคารพค่ะด้วเวลาที่จะมาถึงช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะท่านทั้งหลายบอกว่าจริงๆแล้วพอฟังปุ๊บเนี่ยอาศัยคำถามคนอื่นก็มีประโยชน์ก็เลยไม่รู้จะถามอะไรมาเพราะว่าฟังไปเหมือนโดนใจโดนใจค่ะคำถามในวันนี้ จะตรงกับใจท่านหรือไม่เดี๋ยวเรามาพบกับพระอาจารย์เพบูรณญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจะนะกันเลยนะคะน้ัมศการค่ะท่านค่ะใช่เริญพรค่ะค่ะคำถามของท่านวันนี้เนี่ยคําคําถามแรกนะคะอนี่นั่นเองก็เพิ่งนึกขึ้นได้เหมือนกันนะคะว่ามีประสบการณ์คล้ายๆ ค, คุณสัตวัดศรีสมบูรณ์อืมคือใส่บาตรพะแล้วมักจะลืมกรวดน้ําอยู่เสมอเสม อ, อมแต่คุณสัตวัดเนี่ย เกรงเขาว่าจะมีผลอะไรเกี่ยวกับการอุทิศผลบุญกุศลไปให้ผู้ล่วงลับหรือเปล่าอ๋อท่านใดมีปัญหาคล้ายๆกันฟังเลยนะคะลืมกรดน้ําหรือว่าหรืออะไรพวกเนี้นะต้องถามคุณสัตว์ก่อนหรือถามท่านผู้ฟังทุกท่านที่ อ, อมีคําถามนี้อยู่ในใจถามว่าบุญเกิดที่ไหนทําคุณสันสณีก็ได้บุญเกิดที่ไหนรรไบุญเกิดที่ใจกันทั้งคู่บุญเกิดที่ใจใช่ไหมแล้วเวลาเราจะอุทิศส่วนกุศลอุทิศอะไรให้ใครเนี่ยเราต้องใช้อะไรอุทิศให้ใช้ ใจเราเหมือนกันถูกไหมอธิานค่ะใช่ค่ะใช้ใจในการที่จะตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าส่งกระแสความรักความเมตตาออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําตอบอยู่ในตัวเราแล้ ว, ลวนะถ้าเรามีจิตในการที่จะตั้งจิตอธิษฐานไปก็ได้นะจะมีอุปกรณ์เช่นน้ําเช่นขวดเช่นน้ําประเภทไหนน้ําสีอะไรปริมาณมากน้อยเท่าไหร่เทตอนไหนก่อนหรือหลังอันนั้นเป็นเรื่องรองๆ อ, องไปเลยแต่ถ้าไม่มีจิตนะเราอุทิศส่วนกุศลไม่ได้ ไม่มีจิตนะเราสร้างบุญไม่ได้ดังนั้นส่วนที่สําคัญที่สุดคือจิต <Okay. S 1> แล้วถ้าเราจะมาใช้หลักพุทธวันะในการที่จะวิเคราะห์ว่าเอสถ้าเราจะอุทิศตอนไหนถึงจะดีก็ฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่จะสร้างผลบุญเนี่ยจะสร้างบุญใช่ไหมคุณยมติวก็ต้อง <Okay. S 1> บุญเนี่ยมันเกิดทั้งก่อนระหว่างและหลังในการให้ถ้าจิตของเราเนี่ยก่อนให้ก็มีศรัทธาน้อมไปเพื่อการให้ระหว่างให้เนี่ยก็มีศรัทธาในการให้ หลังให้ไปแล้วก็ไม่ไปนึกเสียดายนะการให้อย่างเนี้โอ้โหมีอ น, นิสงส์มากเหมือนกับว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมีกิริย์ฤทิ์จริศเนี่ยวัดไม่ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าจะให้ดีนะคุณสตว์วัหรือท่านผู้ฟังที่ต้องการอุทิศบุญมีใจสบายให้ทานแล้วเนี่ยก่อนก่อนให้นะก็อธิษฐานเลยก่อนให้ก็อุทิศเลยเระหว่างให้ก็อุทิศด้วยหลังให้ไปแล้วก็เอาอีกทีนะ่ ด, ดูนะ <c oughs> ถ้าเรา <c oughs> เราเราลึกถึงบุญกุศลที่เราได้เคยทําไว้เมื่อสักสามปีที่แล้ว อ้ยสามปีที่แล้วะนะฉันเป็นเจ้าภาพกรถิ่นนะฉันทําอันนั้นอันนี่นะ่ะตัดเย็บผ้ายอย่างนั้นอย่างนี้นึกถึงอยู่นะักวินาทีนะคุณณักนะวินาทีนี้นะนึกถึงเมื่อตอนนูนนะคุณมีความสุขไหมมีใจมันสบายมีความสุขอ่าเพราะนี่แหละคือบุญเรานึกถึงแม้กระทั่งทามาแล้วเรามีความสบายใจมันก็เกิดบุญขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นบุญที่จิตที่เราเป็นกุศลจิตที่เราเป็นบวกจิตที่เราสบายเนี่ยเราอุทิศได้เรามีกําลังจิตในการที่จะส่งกระแสงความรักความเมตตาไปให้ใครที่เรา ต้องการส่งได้ค่ะทีนี้อย่างกรณีที่บอกว่าพ่าใส่บาทลืมกรวดน้ำเสมอดิฉันมาจินตนาการตามกับประสบการณ์ตัวเองด้วยน ะ, นะคะใช่ใชก็มีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากความที่เราตั้งใจว่าอ่ะทุกวันนี้นะเราจะถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องใส่บาืมเพราะว่าถ้าไม่กำหนดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เราไม่มีมาตรฐานในการดาเนินชีวิตหลงๆ ล, ล, ลืมๆขาดๆเกินๆใช่ไหมคะมเพราะทาเป็นกิจวัตร ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมอัตโนมัติอืซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีจิตที่เป็นกุศลอย่างเต็มที่คือจิตเนี่ยมันอาจจะเป็นเราเข้าใจมันเป็นกุศลด้วยอัตโนมัติตั้งแต่ตั้งใจครั้งแรกถูกต้องว่าทุกวันจันทร์เราจะใส่บาตรคือตั้งใจมาเป็นปีๆเนี่ยดีเลยพอผ่านมาหนึ่งปีเราก็เหมือนกับอ่ะพอเย็นวันจันทร์เราก็เตรียมอาหารอเช้าวันอังคารเราก็ใส่บาทสมมุติตามกําหนดเป็นวันอังคารนะคะใช่แล้วก็พอใส่บาทแล้ว เราก็ไม่ได้กรวดน้ํำใส่แล้วก็แล้วกันอืแต่ว่าไม่ได้คิดในทางลบแต่ก็ไม่ได้คิดในอะไรที่มันให้หนักแน่นเพิ่มมากขึ้นสําหรับบุญอย่างเงี้ยได้อะไรใช่ไหมคะไดไม่ได้อะไรเลยได้บุญสิคนคนให้ทานเนี่ยต้องได้บุญนะคนรักษาศีลต้องได้บุญคนอนั่งสมาธิต้องได้บุญบุญเนี่ยเกิดที่จิตทีนี้ว่าอันนี้ส่งของการให้ทานมันก็จะมากน้อยไม่เท่ากันไง ทีนี้ถ้าเราถามว่าอย่างกรณีที่คุณปลารบเหตุอะไรในการให้หลังคุณปารบเหตุที่ว่า อ, อพ่อแม่ฉันทํามาฉันก็ทําด้วยอันนี้ก็ได้บุญถ้าคุณปารบเหตุว่าโอยฉันให้ทานเนี่ยนะเพราะว่าฉันอยากรวยฉันเลยให้ทานอันนี้ได้บุญได้ได้บุญนะแต่ได้บุญเท่าสมมุติเท่ากับหนึ่งออแต่ถ้าเราปลารบว่าเ อ, อพ่อแม่เราทํามานะก็ทําใส่บาตรมาหรือเราก็ใส่บาตรมาเป็นสิบสี่สิบสิบปีละ ปีนี้จะเลิกมันก็กอะไรอยู่ถ้าให้ใหไปก็เล่ากันถวายพระไปแล้วกันหรือว่าใส่บาปไปก็เล่ากันปารบเหตุอย่างนี้ก็ได้บุญมากขึ้นมาอีกถ้าปารบเหตุว่าอพ่อแมออออ่สมณะพวกเนี้หากินเองไม่ได้นะทำอาหารก็ไม่ได้เราควรจะให้ท่านอันนี้ก็ได้บุญขึ้นมาอีกก็ถึงว่าต้องปรารบเหตุอะไรในการให้ถ้าอย่างกรณีของคุณโยมติ๋วเนี่ยปารบเหตุที่ว่าฉันเคยทํามาแล้วฉันก็จะทําต่อไปอันนี้ก็ยังดีกว่าปารบ มีกว่าเหตุที่ว่าฉันต้องการรวยฉันต้องการสวยฉันต้องการมีเงินฉันจึงให้ทานเห็นไหมว่าความละเอียดมันมันมากน้อยกว่ามากน้อยต่างกันอืมค่ะเพราะนั้นก็สำคัญอยู่ที่จิ ต, ตนะคะช่วงเวลาคือก่อนระหว่างและหลังเนี่ยเราก็อุทิศเลยเราก็ตั้งจิตในการที่จะให้อ่ก่อนให้ใช่ไหมระหว่างคุณเตรียมอาหารอยู่คุณจัดแจงอะไรอยู่เนี่ยก็ระลึกถึงอะไรเราต้องการจะอุทิศบุญนี้ให้ใคร นะให้เขามาเตรียมให้เขาทราบหรือว่าเราเนี่ยมีตั้งจิตจะแผ่ไว้ตั้งแต่ก่อนแล้วคุณยมติยวระหว่างก็เอาด้วยหลังก็เอาด้วยอืค่ะแต่อย่างน้อยถ้าไม่คิดอะไรเลยสิ่งที่ทําถือว่าเป็นทานแล้วใช่ถูกไหมคะอย่างน้อยก็ได้ ไ, ดไม่ศูย์เปล่าซะทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการอุทิศบุญจากคําถามของคุณสตรวัตศรีสมบูรณ์ซึ่งได้ประโยชน์สําหรับท่านทั้งหลายอีกด้วยนะคะนอกจากนี้วันเนี้มี ท่านฝั่งที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนักบวชค่ะอยากถามว่าในาศาสนาพุทธเนี่ยใครกันบ้างที่ได้รับการเรียกขานว่านักบวชเพราะว่าเราก็จะเห็นมีพระมีสามเณรมีแม่ชีมีภิกษุณีส่วนอุบาสกอุบาสิกาที่นุ่งขาห่มขาวไปหลีกเร้นอยู่ที่วัดบ้างที่สถานปฏิบัติธรรมบ้านในป่าบ้าง เนี่ยค่ะท่านทั้งหมดนี่เป็นนักบวชหรือไม่หรือว่าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วใครกันบ้างที่เป็นครับท่านคะนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือคนที่มีความประพฤติแบบเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะคืออย่างน้อยต้องมีศีลแปดเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการปฏิบัติศีลแปดเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ละอย่างอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็ยัง เขาเรียกว่าอะไรล่ะเราก็ประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละแต่ว่าเราเป็นอยู่ในเครื่องแบบห่มขาวนุ่งขาวห่มขาวอ่าชนี้รูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่พระพุทธเจ้าจะาตรัสรู้เนี่ยก็มีอยู่หลายรูปแบบไงคุณหยมติว๋วบางคนก็เป็นนักบวชเปลือยกายบางคนก็เป็นนักบวชแบบไม่โกนผมบางคนก็เป็นนักบวชนุ่งผมผ้าหนังสัตว์อย่างเงี้ยน ะ, แ ล, ะ<อ>แล้วก็มีประเภทหนึ่งที่เรียกว่านักบวชแบบกนผมเรียกว่าสมณะพระพรุทธเจ้าตอนออกบวชเนี่ยก็สั ง, งเกตเหตเ็นว่าเออนักบวชประเภทนี้ น่าเลื่อมใสดีก็เลยประพฤติแบบนี้ก็เลยพอหลังจากตรัสรู้แล้วก็มาบัญญัติอะไรต่างๆให้รัดกลุ่มขึ้นชัดเจนขึ้นออกมาเป็นภิกษุในสมัยปัจจุบันคําถามของคุณยมตี่ยวก็คือว่าเออแล้วแบบไห น, นถึงจะเรียกว่าผู้ประพฤติมราจันจริงๆในในลักษณะแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้คาหมายถึงว่าเป็นนักบวชขอบพระทานโทษนะคะคือในความหมายที่พระพุทธองค์ของเราได้กําหนดว่านี่เป็นนักบวช นะคะคือในทุกประเภทที่ดิฉันได้กลาบเรียนไปแล้วหรือว่าไม่หรอกเฉพาะพระกับภิกษุณีสามเณรเท่านั้นอ ะ, อะไรเงี้ยค่ะนักบวชในกรณีนี้คือต้องมีองค์ประกอบสองอย่างถ้า ด, ดูตามพุทธปรจนะคือหนึ่ง ค, คุณประพฤติปรมาจันนะคือมีอย่างน้อยสีแปสองคุณต้องออกจากเรือน ออกจากเรือนนี่คือไม่ไปอยู่บ้านอยู่อะไรอ่ะอยู่ตามแนวป่าบ้างอยู่ในวัดบ้างอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่านักบวชมีกิจการงานน้อยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่านักบวชเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็จะต้องมีภิกษุสามเณรแม่ชีที่ไปอยู่ตามวัดอย่างนี้นะก็จะเรียกว่าเป็นนักบวชได้อย่างเต็มที่อบ้างกันเถอะอืค่ะคืออันนี้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับกฎระเบียนเมืองต่างๆเราพูดถึงเรื่องของพุทธวจนะเท่านั้น เท่ากับว่าถ้าเป็นอุบาสกนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยหลีกเล่นออกจากบ้านไปอยู่ป่าไปอยู่สถานที่เพื่อแสวงหาความสงบในการที่จะปฏิบัติใช่เรียกที่ว่าเป็นนักบวชท่านคะทีนี้อย่างอย่างอุบาสิกาเนี่ยบางคนก็ประกอบอาชีพธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่ากาหนดตัวเองไว้เลยปีหนึ่ง จะต้องไปอีกเล่นหนึ่งครั้งนุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นนักบวชชั่วคราวถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องก็เป็นนักบวชในช่วงเวลาที่เจ็ดวันสิบวันที่ไปอยู่วัด น, นั่นแหละออกจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรืองนงานกิจการงานอะไรของบ้านของเรือนเนี่ยเราไม่สนเราไม่ยุ่งในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าบวชในช่วงนี้จะกลดผมไม่กลดผมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามีศีละละมีศีลแบบระดับผู้ประพฤติปรหมจรรย์ก็อย่างน้อยแปดข้อวังนั้นนะ อืมค่ะค่ะถ้าอจารย์่าทีนี้ถามคําถามพื้นพื้นเลยนะค ะ, คะการทําสมาธิจริงๆเนะี่ยคืออะไรคะสมาธิก็คื อ, อคําถามก็คือค่ะคําถามขึ้นพื้นอย่างนี้ดีมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องย้ำย้ำอยู่เรื่อยๆคุณยมเตียวการทําสมาธิเนี่ยสมาธิการทําจิตให้สงบก็คือจิตที่ทําให้จิตมีกําลังอะ่ะบา ง, งันเถอะทําให้จิตของเรามีกําลังการที่จิตจะมีกําลังหรือไม่เนี่ยจิตต้องเป็นหนึ่ง การที่จิตจะเป็นหนึ่งหรือไม่เนี่ยเราต้องฝึกสมาธิคุณจะฝึกสมาธิได้ดีหรือไม่เนี่ยคุณต้องมีความสุขอยู่ภายในใจ erte. เห็นไหมความสุขภายในใจตรงเนี้ยก็เป็นผลมาจากการที่เราไม่ร้อนใจมีศีลเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติศีลให้เต็มที่บริบูรณ์นะจิตเราจะสบายจิตเราสบายเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความที่เรามีสมาธิ พ, mm. พอเรามีสมาธิเนี่ยจิตของเราก็จะมีกําลังเป็นจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่เป็น1เนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันได้ประโยชน์ จะรียหนังสือจะขับรถทำหน้าที่การงานคุยกับใครเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะทวนกระแสของตันหาเราก็จะไม่ด่าใครไม่ว่าใครเขาพูดยังไงเราก็สบายใจอยู่แล้วเราก็ไม่ผิดศีลอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากะานะจริงๆคุณยมติว๋วตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าแล้วนะเรื่องสมาธิที่ ท, ท่านว่าสําคัญอขอให้ท่านขอมวลเลยนะคะสําคัญอย่างไรเพราะว่าก่อนจะจบรายการในวันนี้ไป อย่างน้อยท่านจะได้ติดตามกันต่อไปว่าเออถ้าสําคัญจริงอย่างที่ท่านพิบูลพูดแล้วอืจะไปลงรายละเอียดกันต่อคะ่คะท่ะก็สําคัญตรงที่ว่า เ, เป็นส่วนที่เป็นส่วนของจิตนะจิตถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยจิตไม่เป็นหนึ่งเนี่ยคือจิตที่ถูกดึงไปตามที่ต่างๆเป็นจิตที่มีเป็นทาตของคนอื่นนะเราทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไม่มีความเป็นอิสระของเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเข้าสู่ธรรมวินัยนี้ได้เนี่ย ต้องเป็นจิตต้องเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสี่สำคัญมากๆเลยอค่ะแล้วสาคัญสําหรับทุกคนไหมคะคนบางคนรอได้ไหมคะอย่างอายุน้อยอยู่เลยยังงานยุ่งอยู่เลยอืม <c oughs> เอ่อเป็นเรื่องที่เรา <c oughs> ต้องมีตลอดเวลาคุณยมติวต้องมีตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่ยากอะไรมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องโอ้โหต้องไปวัดต่างจังหวัดอยู่ป่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ที่บ้านก็ทําได้เดี๋ยวนี้คุณต้องมีสมาธิ ถ้าไม่มีจิตจะแตกล้วไม่มีจิตจะไม่ไม่ไม่เป็นสุขจะจะเป็นทุกข์อ่าเราก็ฝึกได้ไม่ใช่เรื่องยากอ่าทำอย่างทําได้ง่า ย, ายๆที่บ้านด้วยอท่านเป็นบุญคะแล้วสมมุติว่าไอ้คำว่าสมาธิเนี่ยบางทีถ้าในชีวิตประจําวันเราเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราหวังผลเราก็จะต้องทําด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ามีสมาธิคือแน่วแน่จดจอ่อใช่เช่นสมมุติว่าขนะนี้เนี่ย ใครที่ได้เห็นด้วยกับการปฏิบัติสัมมาวาจาคือจะควบคุมตัวเองละไม่ให้พูดโกหกไม่ให้พูดทำให้เกิดการแตกแยกไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเพเจร์เนี่ยแล้วเราตั้งใจมากเลยว่าเราจะทําถวายพระเจ้านะภายในแปดสิบสี่วันนี้หรือถวายในหลวงนะอย่างตามโครงการสัมมาวาจาที่เขาเพิ่งประกาศกันไปแล้วเราก็รณรงค์ในรายการนี้เป็นประจำใช่ขณะที่ตั้งใจทา พยายามรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเรามีสมาธิไหมคะถูกต้องหรือไม่เกี่ยวต้องไปนั่งอย่างเดียวอ่าจิตก็เป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งการที่จิตเราจะปล่อยวางจากการที่โอยอยากจะด่าเขาอ่ะไม่ทานั่นนะ่ะคุณต้องใช้กำลังจิตนะอ่ะจอาจังหวะที่เราอยากจะด่าเขาเหลือเกินนะแม้มันยากมากคันปากยี่งๆแล้วจะด่าละอ่ะไม่ท า, าก็แล้วกันมันไม่ดีเรารู้สึกละอายเนี่ยแค่เนี้ย การที่ปล่อยวางตรงนี้ได้จิตคุณต้องมีกำลังกำลังตรงนี้แหละคือสภาวะที่จิตของเธอเป็นสมาธิอ๋อเหรอคะใช่ถูกต้องโอ้เออย่างนั้นใครที่ไม่มีเวลาไปนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอะไรแบบตามที่พระพุทธค์ตรัสไว้เนี่ยจะใช้วิธีปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึง่งสัมมาวาจานี่เป็นเรื่องที่อยู่ในมรรคเพรา ะ, ะนั้นมันก็มาพร้อมกันหมดมาด้วยกัน อืค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะจบช่วงของท่านพิบูลนี่ฉันขอย้ําอีกครั้งกับท่านฟังทั้งหลายได้ไหมคะท่านคะขออนุญาต ใ, ในเวลานี้ที่จะเชิญชวนว่ายังอยู่ในห่วงเวลาแปดสิบสี่วันที่หลายภาคีองค์กรนะคะได้ไปร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ให้คนพูดชอบพูดสัมมาวาจาดังคุณสมบัติของสัมมาวาจาในมรรคของพระพุทธองค์ที่เราทราบกันอยู่นะคะไปแสดงเจตจานงว่าท่านเห็นด้วยกับหลักการพูดแบบนี้ แล้วก็ลงนามว่าจะพยายามที่จะปฏิบัติสัมมาวาจาท่านทำได้ง่ายง่ายด้วยการที่เข้าไปใน f a c e b o o นะคะแล้วก็สแลดว่าพูดชอบ p w o d s h o b แล้วท่านก็ไปลงนามท่านแล้วพอคลิกขึ้นไปใบไม้นั้นจะไปปรากฏติดอยู่บนต้นไม้ที่เราจะรวบรวมรายชื่อไปน้องกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในที่สุดนะคะส่วน ท่านที่มีโอกาสไปลงนามก็สามารถไปลงนามได้ที่กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งอันเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกมากเท่าไหร่นักกันนะคะแต่เขาก็มีวิธีที่ว่าให้ท่านไปดาวน์โหลดใบไม้ลงมาเองเพื่อที่จะเขียนส่วนอีกวิธีหนึ่งดิฉันคิดว่าดีที่สุดก็คืออธิษฐานจิตเลยค่ะในคนที่ยังไม่สามารถไปลงนามได้สะดวกถ้าไปที่เว็บไซต์ก็จะมีเว็บไซต์ B ีไทย b e t h a i เขียนติดกันเลยนะคะ o r g เข้าไปที่นั่นและเมื่อพูดมาถึงตรงนี้จะมีของท่านภพบูลที่ส่งคำถามไปได้ก็ที่ p i e t t h a m a o t com /106 ค่ะสำหรับวันนี้เราใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วนะคะนมำมศ ก, การขอบพระคุณท่าอาจารย์ภับูลเป็นอย่างยิ่งค่ะิแล้วก็ส่วนเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้คุทวสวัสดีค่ะ